ใ จ, ใจเราเข้าสู่ภาวะแห่งความรู้สึกตัวความตื่นใจมันตื่นแล้วต่อไปเราจะเห็นร่างกายกับจิตใจนะมันทำงานอย่างร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูมันแยกกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้น ก็เห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตใจไปเห็นเข้าบางที í, ความสุขความทุกข์เกิดที่ร่างกายแต่มันไม่ใช่ร่างกายบางที í, เกิดขึ้นที่ใจมันก็ไม่ใช่ใจบางที í, กิเลสก็เกิดความกโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ใจของเราเราจะเห็นร่างกายทางานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเข้าเราจะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราหรอก ของที่ผ่านมาผ่านไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเราจะเห็นความดีความชั่วที่เกิดขึ้นในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันต่อไปเราก็จะเห็นว่าตัวจิตเองที่เป็นคนดูตัวใจของเราที่เป็นคนดูนี่ก็เปลี่ยนแป ล, เปลงเหมือนกันจิตใจนี้เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอไป บางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็หลงไปคิดบางทีรู้สึกตัวแล้วบางทีก็ไปเพ่งเอาไว้ไปจ้องอะไรนิ่งๆอยู่นี่เราจะเรียนรู้จนเห็นความจริงทั้งหมดของสิ่งที่มารวมกันเป็นตัวเราทั้งร่างกายทั้งความสุขความทุกข์ทั้งความดีความชั่วทั้งจิตที่เป็นคนรู้ เราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวแล้วก็บังคับไม่ได้อย่างจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเราสั่งให้รู้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เผลอก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าไปคิดก็ไม่ได้ไมันคิดได้เองเราจะดูจะเห็นความจริงว่าในตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่คงที่ ในตัวเราในกายในใจของเรานะไม่มีอะไรที่บังคับได้ถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่คงที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้บังคับไม่ได้เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทัศดาปันใจจะเข้าถึงธรรมะ อีกอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะที่เรียกว่าโลกุตระกายนี้ใจนี้เป็นธรรมะฝ่ายโลกียะฝ่ายกับโลกถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งนะเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราตัวเราไม่มีแล้วก็ได้ธรรมะฝ่ายโลกุตระขั้นต้นเรียกว่าโสดาบันเวลาเราได้โสดาบันแล้วเนี่ย ต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวมากนะเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขที่เราเคยมีอยู่นะวันหนึ่งหายไปอย่างเราอยู่กับคนที่เรารักนะวันหนึ่งคนที่เรารักไม่อยู่ความสุขของเราหายไปเราก็ไม่หวั่นไหว พอเราเคยเห็นมาอย่างทองแท้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวงั้ความสุขหายไปก็ไม่เดือดร้อนวันหนึ่งเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราอย่างเราต้องไปเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเราก็ไม่กลุ้มใจมากเราก็รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ชั่วคราว อย่างเราไปอยู่บ้านติดกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเห็นทีไรก็เกลียดทุกทีแล้วทุกคราวที่เกลียด ใ, ใจก็มีความทุกข์เราก็นึกว่าต้องย้ายบ้านถึงจะพ้นจากคนนี้แล้วถึงจะพ้นจากความทุกข์ที่จริงไม่ใช่หรอกเราทุกข์เฉพาะตอนที่เรานึกถึงเขาเท่านั้นเองอย่างเราอยู่บ้านเราเราไม่ได้นึกถึงเขาเราก็ไม่ทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ย yeah. ไม่ใช่ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะต้องทุกข์ตลอดอยู่กับเพื่อนบ้านคนนี้เราต้องทุกข์ตลอดไม่ใช่เราทุกข์อยู่ชั่วเวลาที่เรานึกถึงเขาเท่านั้นเองถ้าเราเป็นนึกถึงคนอื่นนึกถึงสิ่งอื่นไม่ได้สนใจเขานะเขามีอยู่ก็เหมือนไม่มีเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแงั้นขนาดบ้านอยู่ติดกับคนที่เราไม่ชอบคนทั่วๆ่วไปจะนึกว่ามีความทุกข์ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็รู้ว่า เรามีความทุกข์เป็นคราวๆเดี๋ยวความทุกข์ก็ไปเราก็มีความสุขได้ด้วยนเราค่อยฝึกนะแล้วต่อไปเราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้อยู่กับคนแบบไหนเราก็อยู่ของเราได้ไม่เดือดร้อนเท่าไรเดือดร้อนไม่มากที่ยังเดือดร้อนอยู่เพราะใจมันยังมีความอยากมันยังอยากอ ย, กอยู่กับคนที่เราชอบอยู่ในที่ที่เราชอบ อยากให้พ้นไปจากคนที่เราเกลียดเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะค่อยภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันค่อยแก่กล้ามากขึ้นปัญญาเบื้องต้ น, หนเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะปัญญาเบื้องกลางมันจะเห็นเลยว่าทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้น นี่พอใจมันรู้ตรงนี้นะความอยากมันจะค่อยๆลดลงนะมันไม่รู้จะอยากไปให้ทุกข์ทำไมนะแต่ประเดี๋ยวเผลอๆมันก็อยากอีกเพราะว่ายังไม่มีปัญญาขั้นสูงปัญญาขั้นสูงแนละเราจะเห็นความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกแต่เดิมเราเห็นว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เลยมีความอยาก ให้มีความสุขอยากให้พ้นจากความทุกข์นี่พอมีความอยากทีไร ก, ก็ทุกทุกทีไม่ว่าจะอยากทางไหนนะ ก, ก็ทุกทุกทีอีกนี้พอปัญญามันแก่รอบนะีมันรู้เลยว่าร่างกายจิตใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆตรงนี้เห็นยากมากเลยก็เราเห็นได้แต่แค่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง แต่วันที่เราพานาได้เต็มที่ปัญญาเกิดเต็มที่จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้นร้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจะรู้ว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้น้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอมันรู้แจ่มแจ้งแล้วว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์มันจะหมดความอยากอัตโนมัติ เมื่อมันรู้แล้วว่าร่างกายเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากให้ร่างกายเป็นสุขมันรู้ว่าอยากไม่ได้อยากแล้วก็ทุกข์เปล่าๆมันรู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์นะมันก็ไม่อยากว่าให้หมดความทุกข์อยากให้ร่างกายหมดความทุกข์มันก็เป็นไปไม่ได้มีความอยากขึ้นมาก็ทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปซะอีกหรือเราเห็นว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้นล้นไม่ใช่ มีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ว่ามีทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างเราเห็นอย่างนี้พอ เ, เห็นอย่างนี้ความอยากจะไม่เกิดเพราะความอยากมันเกิดมันก็คืออยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจไม่ทุกข์มันหมดความอยากที่จะให้จิตใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้จิตใจไม่ทุกขนะ์เพราะมันรู้ว่าถึงยังไงก็หนีทุกข์ไม่ได้จิตนี้แหละคือตัวทุกข์ เราเรียนจกนกระทั่งรู้ความจริงนะว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นี่คือปัญญาขั้นสุดยอดเลยทันทีที่จิตเข้าใจความจริงกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายและจิตใจไม่ยึดกายไม่ยึดใจเมื่อหมดความยึดถือในกายในใจแล้วจิตจะเข้าไปสัมผัสธรรมะชนิดหนึ่งเนระียกว่านิพพาน นิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีกายไม่มีใจมีความสุขอยู่ในตัวเองกลางวันก็เป็นสุขกลางคืนก็เป็นสุขจิตใจไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเพราะจิตใจมีปัญญาแก่กล้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกข์ความอยากใดๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากทั้งหลายมันก็แค่อยากได้สุขอยากหนีทุกข์เท่านั้นเอง จิตจะเข้าสู่ภาวะที่หุยนึ่งเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งนั่นคือจิตของพระอรหันต์จิตของพวกเรานะมีขอบเขตแคบๆวิ่งไปวิ่งมาได้รู้สึกไหมเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาเล็กๆวิ่งได้เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยจิตของเราเป็นแบบนี้ แต่จิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งเนะี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตเดิมแท้ไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างในจิตเรามีขอบเขตมีสมมติว่าแค่นี้นก็วิ่งไปวิ่งมาได้จิตเดิมแท้นั้นใหญ่เต็มจักรวาลเลยเต็มโลกงั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ได้มีที่จะจับลงไปตรงไหนได้เลยแล้วภายในไม่มีความเคลื่อนไหว รู้สึกไหจิตเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหมุนไปหมุนมานะเดี๋ยวปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ไปเรื่อยจิตหนึ่งไม่มีมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่มีความดิน้นรนปรุงแต่งอยู่ภายในสภาวะอย่างนี้นะเราได้มาด้วยการที่เราเจริญปัญญาคอยดูความจริงของกายของใจมากๆจนเห็นความจริงกายนี้เป็นทุกข์ล้นล้วน ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจเราจะเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปให้โลกถล่มทลายโลกแตกต่อหน้าต่อตานะยังไม่หวั่นไหวเลยไม่มีอะไรมาทําให้เราหวั่นไหวได้อีกต่อไปชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสงบสุขนะ มีความเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราจะยากจนนะเราก็ยังเบิกบานคนที่เรารักตายไปเราก็ยังเบิกบานคนที่เราเกลียดมาอยู่ข้างๆเราเราก็ยังเบิกบานเงี่นะภาวะอันนี้นะไม่มีในคำสอนที่อื่นหรอก อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนจีนชอบพูดถึงควาว่าพุทธเกษตรในทางมหายานนะจะมีเหมือนเป็นโลกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าอมิตตภะอยู่อะไรเงี้ยที่จริงพุทธเกษตรไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเพราะั้นเราไม่ต้องไปสแสวงหาพุทธะ ท, ที่อื่นเลย พุธทธาอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเมื่อไรที่ใจเราหมดความอยากนะใจหมดความยึดถือเราจะพบพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่งไม่เคยหายไปไหนเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นรูปร่างเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสภาวะของความบริสุทธิ์ถ้าใจเราเข้าไปสัมผัส เราจะรู้ว่าใจของเรานี่แหละกับพระพุทธเจ้านะเป็นอันเดียวกันคือเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันบางคนเวลามีความทุกข์ก็เรียกให้พระพุทธเจ้าช่วยใครก็ช่วยใครไม่ได้อยู่ที่ฝึกให้ตัวเองเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเต็มที่แล้วหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้ว ครั น, นี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ต่อหน้าเรานะพระธรรมก็อยู่กับเราใจของเรานั่นแหละคือพระสงฆ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันตรงนี้ไม่มีใครมาทําให้เราเป็นทุกข์ได้อีกแล้วเรียกว่าเรามีที่พึ่งที่แท้จริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครมาทําให้เราทุกข์ได้อีกต่อไปเพราะใจที่เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นมันไม่ทุกข์แล้ว เราไม่เที่ยวสแสวงหาพุท ธ, ธะในที่อื่นพุท ธ, ธะอยู่ในใจเรานี่เองแต่กิเลสทั้งหลายมันปิดบังทําให้เรามองไม่เห็นพุท ธ, ธะในใจของเราเองงั้นพยายามมาเจริญปัญญานะาสู้กิเลสขั้นละเอียดรักษาศีลนะสู้กับกิเลสอย่างหยาบหยาบทำสมาธิาสู้กิเลสระดับกลางๆ คือความฟุ้งซ่านจเจริญปัญญาเนี่ยสู้กิเลส ช, ชั้นละเอียดคือความโง่ของเราเองคนจีนเน่ยเหมาะกับการเรียนศาสนาพุทธมากนะจริงคนจีนเป็นชาติที่ฉลาดมีปัญญาเราไม่ได้เชื่ออะไรงมงายศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้เราฉลาดมีปัญญา แต่ปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญานั่งคิดเอาเองถ้าปัญญาคิดเอาเองอาจจะคิดผิดก็ได้ปัญญานี้เกิดจากการที่เราไปเห็นความจริงของกายไปเห็นความจริงของใจเราเห็นเอาเห็นจนเกิดความเข้าใจและปัญญาที่แท้จริงส่วนปัญญาที่คิดคิดเอาเชื่อไม่ได้ปัญญาที่ฟังคนอื่นเชื่อไม่ได้แล้วปัญญาที่เห็นด้วยตัวเองถึงจะเชื่อได้ ก็สู้กิเลสได้จริงๆสรุปนะขั้นแรกเลยพยายามถือศีลห้าข้อไว้ศีลห้าจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบมีจิตใจที่สงบสุขพอมีศีลห้าแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะก็คือฝึกใจให้อยู่กับตัวเองให้จิตใจอยู่กับตัวเองภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้น เมื่อมันตื่นแล้วนะก็ถึงขั้นสุดท้ายคือเดินปัญญาเอาใจที่ตื่นเนี่ยมาดูความจริงของกายดูความจริงของใจรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานไปเรื่อยเดี๋ยวปัญญามันเกิดอย่าล้างความโง่ไปเจอทัางใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าไปเจอพุท ธ, ธะตัวจริงได้งั้นถือศีห้าไว้นะฝึกจิตใจให้รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกสบายๆอย่าไปรู้สึกแบบแข็งๆนะ บางคนรู้สึกตัวแข็งทื่อทั้งวันนะบอกรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ใช่ใจแข็งแข็งใช้ไม่ได้ ใ, ใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานผ่อนคลายนะมันผ่อนคลายรู้เนรู้ตัวเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานสุดท้ายปัญญามันเกิดเป็นขั้นๆนะปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่มีตัวเราเลยร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราเนี่นได้โสดาบัน ปัญญาเบื้องกลางนะเห็นว่ามีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นยิ่งอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสใจจะดิ้นสายเหนียกไปใจมีความทุกข์ใจก็ไม่ออกไปหิวอารมณ์ข้างนอกนะไม่ไปเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายใจอยู่กับตัวเองมีสมาธิเต็มที่อยู่กับตัวเองมีความสุข สภาวะที่จิตใจมีสมาธิตเต็มเปี่ยมรู้ตัวอยู่ตลอดเลยนะสภาวะที่เรียกว่าพระนาคามีพระอริยบุคคลมีสี่ขั้นขั้นโสดาบันเนี่ยเห็นว่าตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราขั้นที่สองสักขาขาก็ยังเห็นเหมือนเดิมเหมือนพระโสดาแต่สติเร็วมาก ใจเคลื่อนปั๊บรู้ทันใจเคลื่อนปั๊บรู้ทันไม่หลงยาวให้กิเลสจะอ่อนกิเลสไม่แรงเพราะว่าสติมันเร็วขั้นที่สเนี่ยจะมีสมาธิเต็มที่เลยใจจะไม่หลงไปในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการรู้รสอย่างเนี้ยเราได้ยินเสียงระครังนะใจเราฉบไปที่ระครังเลยสังเกตดูเดี๋ยวค่อยดูใจมันจะปุ๊บใจมันจะวิ่งไป รู้สึกไหมใจมันหนีไปที่เสียงรักครังถ้าเป็นพระนาคามีใจจะไม่วิ่งอย่างนี้นะใจจะไม่ไปไหนหรอกมีสมาธิอยู่กับตัวเองตลอดโดยไม่ต้องรักษาเลยรู้เลยว่าถ้าใจโฉกออกไปเมื่อไหร่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นใจที่วิ่งออกไปนี่เว่ามันมีตัณหามีความอยากมันอยากฟังเสียงมันก็วิ่งไปฟังมันอยากดูรูปมันก็วิ่งไปดูมันมีความอยาก รู้เลยมีความอยากทีไรมีความทุกข์ทุกทีเลยมันก็เลยอยู่กับตัวเองนะและขั้นสุดท้ายที่เรียกพระอรหันต์คือถ้าเห็นความจริงนะว่าตัวที่อยู่กับตัวเองเนี่นะแท้จริงก็คือตัวทุกข์นั่นแหละตัวพ่อตัวแม่ของความทุกข์อยู่ที่จิตนี้เองนะไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยอันนี้พวกเราค่อยค่อยเรียนไปนะขั้นแรกให้เห็นก่อนว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรา ยังไม่เรียนข้ามขั้นหรอกนะเดี๋ยวไมัค่อยค่อยพัฒนาขึ้นไปหลวงพ่อเห็นความสําคัญของคนจีนที่มาเรียนมากนะพวกเราต่อไปก็ได้เอาธรรมะกลับไปเมืองจีนเอาไปเผยแพร่ต่อที่เมืองจีนไปทําเว็บไซต์ก็ได้นะไม่ต้องไปทําอะไรลําบากมากมายเหมือนพระทางสำจัง ที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียสมัยราชวงศ์ถังเอาพระไตรปิฎกไปแล้วไปแปลให้คนจีนรู้เรื่องพวกเราก็แบบพระทางสำจังเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไปอินเดียมาเรียนที่เมืองไทยพระศา ส, สนาพุทธศูนญไปจากอินเดียแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยในพอเราเข้าใจการปฏิบัตินะเอากลับไปเผยแพร คำพีมันมีอยู่แล้วพระทางสำจั๋งแปลอยู่แล้วเราเอาวิธีปฏิบัติกลับไปถ้าคนรู้วิธีปฏิบัตินะั่งในเวลาไม่นานนะจิตเขาจะเปลี่ยนถ้าเรียนถูวิธีนะัจะเปลี่ยนอย่างเร็วมากเลยในเวลาสั้นๆเหมือนพลิกฝ่ามือง่ายนิดเดียวเลยถ้าเรียนไม่เป็นพลิกไม่ได้นะอยู่นิ่ง คำพีร์มันมีอยู่แล้วล่ะนะคำพีเอาไว้อ่านอ่านเล่นๆจุดสําคัญก็คือต้องรู้วิธีปฏิบัติมีแต่คำภีร์ไม่รู้วิธีปฏิบัตินะเหมือนมแมลงสาบอยู่ในหอคมภีร์อ่านหนังสือไม่ออกไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยคำภีร์จะมาอยู่ในใจเราแล้วความรู้ธรรมะจะเกิดขึ้นในใจเรานี่เอง งั้นเรามาต่อยอดจากพระทางสําจังนะยุคนอนได้คำภีไปแล้วยุคนี้เอาวิธีปฏิบัติไปที่จริงวิธีปฏิบัติเข้าไปเมืองจีนก่อนหน้านี้แล้วนะตักหม้อเอาเข้าไปเผยแพร่ไปแล้วแต่ว่าเราลืมไปคนรุ่นหลังๆ ล, ลืมไปละสืบทอดมาถึงรุ่นที่ห้าเป็นหุยหนัง ไล่ลงมาถึงหลานหลานสิทธิ์ลงไปอีกคือฮวงโป่พวกนี้เก่งๆทั้งนั้นนะไม่ธรรมดาหรอกไม่ใช่คนธรรมดาใจเข้าถึงธรรมะทั้งนั้นนะแล้วธรรมะก็อันเดียวกันนั่นแหละอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยชื่อหลวงปู่ดุลที่มีรูปปั้นเนี่ยหรือที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านอ่านหนะังสือของวงโป แล้วท่านบอกว่าโอ้ตรงเป๊ะเลยกับความเข้าใจของท่านเป็นอันเดียวกันเลยนะสิ่งที่ท่านอัานจากหนังสือในคำภี์ของจีนนะเรื่องของฮวงโปนะท่านบอกตรงกับที่ท่านปฏิบัติมาเปรียบเลยงั้นคำภีรเรามีอยู่แล้วละ่ะเรามาเรียนวิธีปฏิบัติจิตต้องตื่นตื่นเป็นแล้วตื่นเป็นได้แล้ววันนึงหลับได้อีกอย่าตกใจนะ ถ้าเราพยายามจะตื่นตลอดเวลาเมื่อไหร่เราจะหลับเมื่อนั้นเลยไม่ต้องพยายามมากแค่เผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอไปเผลอแล้วรู้ว่าเผลอไปแค่นี้ก็จะตื่นแล้วพอตื่นแลว้วมันหลับอีกก็ไม่เป็นไรอย่ายพยายามตื่นตลอดเวลาถ้าจะอยากตื่นตลอดเวลาจะหลับทันทีเลยงั้นเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะใจเราจะเป็นผู้ตื่นขี่นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็มาเจริญปัญญาดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานสุดท้ายธรรมะจะเข้ามาสู่ใจของเราเอง ธรรมะทั้งห่อพระไตรปิฎกจะอยู่ในใจเรานี่เองเราไม่ใช่เป็นมแมลงสาบเฝ้าตู้พระไตรปิฎกอีกต่อไปแล้วเราจะได้ไประโยชน์จากธรรมะเราจะไม่ถุกสูงสุดก็คือจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วชีวิตที่เหลือก็เป็นชีวิตที่เอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นเราเข้าใจแล้วเราบอกต่อคนอื่นที่มีบุญวาสนา เขาจะได้เข้าใจบ้างพราะทีเจ้าถึงสอนบอกว่าให้เราทำประโยชน์ของเราแล้วก็ทำประโยชน์ของคนอื่นด้วยความไม่ประมาทถ้าเราทำประโยชน์คนอื่นอย่างเดียวนะั้นเราไม่ภาวนานะก็เรียกว่าประมาทเราไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าเราภาวนาของเราคนเดียวรู้แล้วไม่ยอมบอกใครเลยใจแคบไปศา ส, สนานก็จะสูญไปต่อไปไม่มีคนสืบทอด ก็เราเมื่อเข้าใจวิธีปฏิบัตินะเราไปปฏิบัตินะเรารู้เรื่องแล้วเราก็บอกต่อนะเผยแผ่ออกไปถ้าเผยแผ่ออกไปได้ก็จะดีมากเลยนะอย่างคอสคนจีนมาเนี่ยนะเมื่อเราได้ธรรมะไปแล้วนะเอาไปเผยแผ่ต่อนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเผยแผ่ตอนนี้ไปกินข้าวก่อน I think that